ตลักคณะสูตรที่เราเพิ่งสาธยายมืสักครู่นะเป็นพระสูตรที่สำคัญอโมนในแง่ปฏะิาสารก็เป็นพระสูตรแรกนะที่พระองค์ได้อธิบายความจริงที่เรียกว่าอนัตตลักษณะหรือว่าภาวาความเป็นอนัตตาของสัพรพสิ่งโดยเพราะขัน5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 เราก็จะได้ถ้าอ่านาบทสนทนาเหล่านี้หลายตอนก็จะคล้ายๆกับที่เราสวดสัตยายเมื่อสักครู่แต่ว่าน่าสังเกตว่าพระพุทธองคอ์เลือกแสดงหรือว่าสอนทํานองนี้เนี่ยไม่ใช่ทั่วไปกับค า, ารวะแล้วนี่ก็ส่วนใหญ่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 มอบหมายให้พระสัยลบุตรนี่ไปโปรดท่านอนาตตปิทิกะก็โปรดหลายครั้งนะพระอ น, นุลก็ไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือตอนที่พระสัยลบุตรเนี่ยได้แสดงธรรมให้อนตัอนตตปิทิกะเศรษฐีฟังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนัตตาอนาตัตตปิทิกะนี่เรียกว่าซาบซึ้งมาก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 คนไทยชาวผู้จํานวนมากก็เชวนนิพพานเป็นอัตตาถ้าจากพาุทธทาสท่านก็เปรียบเทียบไปดีนะว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตามันขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กภูมิธรรมของบุคคลท่านยกตัวอย่างเช่นลูกเนี่ยน ะ, ะผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเจอลูกลูกก็เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่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 ที่มีภูมิทําระดับหนึ่งแต่มันเป็นอนัตตาสําหรับคนที่มีภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเทียบว่าพุทธะนิพพานเป็นอัตาหรืออนัตตานี่มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนัสุดแท้แต่มุมมองของผู้พูดนั้นว่าเข้าใจธรรมระดับไหนถ้าเข้าใจระดับพื้นๆก็มองว่านิพพานเป็นอนาตา แต่ถ้ามีธรรมะสูงก็มองนึว่าก็เห็นว่านิพพานนั้เป็นอนัตตาแต่ว่าในส่วนของเรานะในส่วนของปุถุชนทั่วไปก็เกี่ยวข้องกับขันธ์ถ้าถ้ามีความเข้าใจเรื่องอนัตตาบ้างนะก็จะช่วยในอนัตตลัคณะสูตรเนี่ยก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยท่านได้ชี้เห็นว่าไตรลักษณ์เนี่ยคือนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่แยกกันเป็นส่วน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 ป่วยนะเกิดความป่วยป่วยนี่คืออาการหนึ่งของทุกขังรถเนี่ยนะถ้าเอาเอาลูกสูบออกไปนะหรือว่าเอาล้อเอาเพลาคารออกไปแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะทำให้มันวิ่งไม่ได้ก็คือเสียบางทีเราก็เรียกว่ารถตายนะนะรถตายนี่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 ไอ้คำว่าตัวเราเนี่ยมันสมมุติใช่มไนะเห็นมันเป็นสมมุติเหมือนกับเราชี้ไปที่หมู่บ้านนะไหนหมู่บ้านบ้านใหม่ไหนชี้ไปใช่ที่บ้านใหม่พอชี้ไปเราบอกว่าไม่ใช่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนะั่นนั่นนั่นเป็นเรือนเป็นเรือนของยายเพียนอ่า uh, ไม่ใช่หมู่บ้านแล้วพอบอกว่าเนี่ยรอดูให้ดีๆไม่ใช่เรือนนะไอ้ที่ชีนะ้น่ยคือประตูนะหรือว่าเสานะ แล้วดูดีๆเนี่ยไอ้ที่ชี้นี่ไม่ใช่เสานะมันเป็นไม้นะคือพูดง่ายเนี่ยชี้ไปเนี่ยหาไปหาไปเนี่ยไม่เจอนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านนะไม่เจอตัวตนที่เรียกว่าบ้านนะเพราะอะไรเพราะว่าบ้านหรือหมู่บ้านมันคือสมมุติที่ใช้เรียบดังั้นคำว่าสมมุติเนี่ยที่เราได้ยินได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันจะ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 แต่สุดท้ายมันหลอกเราพระเ จ, าจา้าจึงตรัสว่าชื่อเนี่ยครอบงำสิ่งทั้งปวงนะชื่อเนี่ยครอบงำสิ่งทั้งปวงชื่อคือสมมุติเราลองดูนะไอ้สมมติเนี่ยเช่นกำปั้นเนี่ยเวลากำมือขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกนี่กำปั้นนะแต่ตัวตนกำปั้นมีหรือเปล่านะพอแบ่มือออกมาเนี่ยกำปั้นหายไปไหมกำปั้นยังอยู่หรือเปล่ากำปั้นหายไปแล้ว พอรวบนิ้วเข้าหากันกําปันก็เกิดขึ้นแต่พอคลายมือออกแบบมือออกกัมปันก็หายไปตัวตนกัมปัญนี้ไม่มีนะมันมันมีแต่คำเรียกว่ากําปันเพื่อใช้หรือกาหมัดเพื่อใช้เรียกอาการของนิ้วที่รวบเข้าหากันว่านี่แหละคือกัมปันหรือกา ห, หมัดตัวตนของกัมปั้นี้ไม่มีมันมีแต่สมมติที่ใช้เรียก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 ว่ามันจะต้องจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมื่อมันหายไปศูนย์ไปเสื่อมไปก็ไม่ทุกข์ความก่อเรื่องไตร่โดยเพราะเรื่องอนัตตานี้ก็ทำให้เกิดการปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งถึงที่สุดแล้วก็จะมามาสึกที่คำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น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 ทำให้องค์มักเกิดขึ้นก็คือทําให้มักมีองแปลได้เกิดขึ้นทําให้มากขึ้นเรื่องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งไปสุดที่สัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าทําถูกทําทําได้อย่างต่อนเนื่องก็จะเห็นความจริงตรงนี้แหละโดยพอในขั้นสุดท้ายที่เกิดจากวิปัสสนา ต, ตรงนี้แหละการที่เข้าถึงความจริงตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งก็ทําให้บรรลุธรรม